hmm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 เคยตระหนักไหยว่าธรรมชาตินี่เขาก่อรูปก่อร่างเป็นตัวเราขึ้นมาคนสมัยก่อนจึงเรียกธรรมชาติเป็นแม่นะเป็นแม่แม่ธรณีแม่คงคานะแม่โพศบนะแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราควรจะสำนึกในบุญของธรรมชาตินะแม้ถ้าเราไม่สำนึกในบุญของธรรมชาติเราทำลายธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะลงเออเหมือนกับ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 ที่มันเคยสลบที่มันเคยบางกวางได้มันก็บางไม่ได้แล้วเพราะเพราะเพราะกวางกินใบไม้เนี่ยจนมันมันบางตายพรานเนี่ยนะมันไปตามไปตามล่าหากวางไปไม่เจอเก็เลยวกกลับมากลับมาตรงจุดที่เคยเป็นพุ่มไม้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่พุ่มไม้แล้วนะเพราะว่าใบแทบไม่เหลือแล้วกวางกินจนเพลิน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 คนที่ไปกอดต้นไม้เนี่ยบ <hi> ่อยๆเนี่ยต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะเวลาเราร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ไวไอ้คนร้องก็มีความสุขต้นไม้นี่ก็พลอยเจริญเติบโตด้วยสัตว์ก็เหมือนกันนะเราร้องเพลงให้สัตว์ฟังสัตว์ก็ชอบเรากอดสัตว์สัตว์ก็ชอบต้นไม้ก็ชอบเหมือนกันนะแต่วนี่ก็ ถ้าที่บ้านเรามีพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ต้นไม้ยืนต้นนะแล้วก็บำรุงดูแลเขาไม่ใช่ด้วยน้ำด้วยปุ๋ยอย่างเดียวนะแต่ด้วยเสียงเพลงด้วยการสัมผัสที่อ่อนโยนเขาก็จะโตไวโตไวแล้วเขาก็จะให้่มง่าวกับเราแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งต้นไม้และคนเอาละนะชาน้าดีกว่า เ, เท่านี้นะกราบครบ